เอาละตอนนี้เข้าถูกอนาปานนสติภาวนาให้พวกเรานั่งคูบัลลังที่นั่งเก้าอี้นะวางขาให้มันถูกส่วนพอสบายสบายวางขวาเท้าที่พื้นวางขาพอสบายสบายแล้วก็ทิ้งไว้อย่างนั้นเลยนะพยายามอย่าไปขยับมันก็จะได้เหมือนกับการนั่งนั่ง นั่งเรียบนั่งขัดสมาธิตั้งกายให้ตรงดำรงสติอยู่เฉพาะหน้าคำว่าดำรงสติอยู่เฉพาะหน้าให้ปฏิบัติซื่อเลยยกจิตคือความรู้สึกมาไว้ที่ใบหน้า ได้ให้รู้สึกที่หน้าผากแก้มซ้ายแก้มขวาคางปากจมูกดวงตาซ้ายขวาคิ้วซ้ายขวาแล้วก็เคลื่อนความรู้สึกไปทั่วบริเวณใบหน้านี่เรียกว่าดำรงสติอยู่เฉพาะหน้าจิตเราจะคลายตัวออกมาจากทุกอย่างขณะนี้อยู่ที่ใบหน้าของเราให้เคลื่อนความรู้สึกอยู่ที่ใบหน้า ใบหน้าที่จิตกำลังรู้สึกอยู่นี่เ็าเรียกว่ามุขะมนทนมนทนคือพื้นที่พื้นที่คือบื้นที่ใบหน้าของเราที่นี่ที่ช่องจมูกเป็นทางเดินของลมหายใจพระพุทธเจ้าว่าสตวะสะติสตปปสะติ คือว่ารู้มีสติหายใจออกมีสติหายใจเข้าฮันเราทำทางเดินของลมหายใจทำความรู้จักทำสิ่งสำคัญให้พร้อมเช่นก่อนขณะที่เรารู้อยู่ที่ใบหน้าของเราเราก็เคลื่อนจิตรู้ของเราเคลื่อนความรู้สึกของเรามาไว้ที่ช่องจมูก แล้วก็เดินลมหายใจโดยปล่อยให้ลมหายใจไหลออกไหลเข้าไหลออกไหลเข้าแล้วให้จิตรู้สึกกับลมหายใจที่ไหลออกไหลเข้าเป็นต้นก่อนไม่ปล่อยให้จิตวิ่งตามลมหายใจเข้าไม่ปล่อยให้จิตวิ่งตามลมหายใจออกจิตจะต้องคอยดูรู้ลมหายใจเท่านั้นเพราะฉะนั้น ต่อไปนี้ให้พวกเราทาสิ่งสำคัญก็คือการหาที่ตั้งสำหรับวางจิตรู้เพื่อที่จะรู้ดูลมหายใจของเราการหาที่ตั้งของจิตรู้ด้วยการหายใจเข้าให้ยาวๆให้สุดลมหายใจเข้าแล้วหยุดการหายใจไว้ตั้งใจว่าจะรู้สึกกับลมหายใจไหลออกและปล่อยลมหายใจให้ไหลออกมาช้าๆพร้อมกับจิตที่รู้สึกลมหายใจนั้น ตั้งแต่ต้นจนสุดลมหายใจออกครั้งที่หนึ่งและทำซ้าอย่างเดิมครั้งที่สองหายใจเข้าให้สุดหยุดการหายใจไว้ตั้งใจว่าจะรู้สึกกับลมหายใจที่ไหลออกและปล่อยลมหายใจให้ไหลออกมาพร้อมกับจิตที่รู้สึกต่อลมหายใจนั้นตั้งแต่ต้นจนสุดลมหายใจที่ไหลออกไม่ไปรู้ลมหายใจเข้าเอาแต่ลมหายใจออกอย่างเดียว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 ครั้งที่4ี่หายใจเข้าให้สุดหยุดการหายใจไว้ตั้งใจว่าจะรู้สึกกับลมหายใจที่ไหลออกพร้อมกับจิตที่รู้สึกต่อลมหายใจที่ไหลออกตั้งแต่ต้นจนสุดลมหายใจนั้นครั้งที่5หายใจเข้าให้สุดหยุดการหายใจไว้ตั้งใจว่าจะรู้สึกกับลมหายใจที่ไหลออกพร้อมแล้วลอยลมหายใจให้ไหลออกมาพร้อมกับจิตที่รู้สึกต่อลมหายใจนั้นตั้งแต่ต้นจนสุดลมหายใจออก เมื่อเรารู้ลมหายใจออกตรงไหนเราก็รู้ลมหายใจเข้าตรงนั้นเราก็เริ่มหายใจเข้าไปพร้อมกับจิตที่รู้สึกต่อลมหายใจที่ไหลเข้านาะทีตรงนั้นเราเฝ้าดูรู้นิ่งอยู่ตรงนั้นหายใจเข้าไปรู้หายใจออกรู้นาะขณะนี้ ความเตรียมพร้อมในการภาวนาของเราจึงมีอยู่สามอย่างหนึ่งลมหายใจที่ถูกรู้มีลักษณะไหลออกไหลเข้าสองจิตที่รู้ลมหายใจสามตาที่ตั้งฐานที่ตั้งของจิตรู้ที่เราเข้าจ้องดูรู้ลมหายใจเราตรงไหนตรงนั้นเป็นที่ตั้งของจิตรู้และเราก็จะเอาจิตรู้ของเราวางอยู่ตรงนั้นและคอยเว้าวดูลมหายใจที่ไหลออกคอยค้าดูลมหายใจที่ไหลเข้า เพียงแค่รู้ลมหายใจที่ไหลออกเขาไหลออกอย่างไรรู้อย่างนั้นเ <_ C _> ข้าไหลเข้าอย่างไรก็รู้อย่างนั้นไหลออกรู้ไหลเข้ารู้ลมหายใจเหมือนกับรถที่วิ่งเข้าวิ่งออกในหมู่บ้านฐานที่ตั้งของจิตรู้เป็นเสมือนกับป้อมยามของหมู่บ้านจิตที่รู้ลมหายใจก็เหมือนกับรอปพอที่อยู่ในป้อมยามนั้น เขานั่งอยู่ในป้อมยามเขาสามารถรู้รถที่วิ่งเข้า ว, วิ่งออกได้หมดชั้นใดจิตรู้อยู่ในที่ตั้งของจิตรู้จะสามารถรู้ลมหายใจที่ไหลเข้าไหลออกได้ชั้นนั้นหายใจออกรู้หายใจเข้ารู้ในระหว่างที่เรารู้ลมหายใจไหลออกรู้ลมหายใจไหลเข้าเราก็ต้องคอยสังเกต กายของตนหมืนกันให้มีการอุชุงกายยังปานิทายะคำคำนี้พยายามจําให้คุ้นไว้อุชุงกายเนอูชุงกายยังปานิทายะอุชุงกายยังปานิทายะแปลว่าตั้งกายให้ตรงถ้ากายมันเองซ้ายเองขวาเอียนหน้าเอียนหลัง หรือศีรษะมันตะแคงซ้ายตะแคงขวากลมไปข้างหน้าหรือหรือหายมาข้างหลังให้ตั้งกายให้ตรงตั้งกายให้ตรงก็หมายความว่าตั้งแต่ลำตัวจนถึงศีรษะตั้งตรงขึ้นมา <c oughs> เมื่อเรายืดได้ก็ตั้งตรงขึ้นมาเรียกว่าอุชุงกายยังปณิธายะเมื่อยืดตั้งตรงขึ้นมาความรู้สึกตัวของเราก็จะกลับมาพร้อมอีกครั้งหนึ่งเมื่อความรู้ตัวกลับมาพร้อมครั้งหนึ่ง จิตก็เริ่มเข้าสู่การภาวนาตอนที่จิตเริ่มเข้าสู่ภาวนานั้นเขาเรียกว่าอารัฐวิริยะคือจิตมันปรารบความเพียรไม่ต้องไปรําคาญไม่ต้องไปหุดหงิดกับการที่จะต้องตั้งกายให้ตรงบ่อยๆการตั้งกายให้ตรงบ่อยๆไม่ใช่เรื่องเสียหายกลับเป็นเรื่องดีเพราะเมื่อเราตั้งกายให้ตรงจิตก็เริ่มความเพียรใหม่อีกครั้งหนึง่ง รดตั้งกายให้ตรงจิตก็เริ่มความเพียรใหม่อีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นนิวรทั้งอุทธัจากุกุจจะและถีนมิตะทั้งสองตัวนี้ <c oughs> จะถูกแก้ด้วยอุจุงกายยังปานิทายะคือถูกแก้ด้วยการตั้งกายให้ตรงให้จิตคว้าอยู่ที่ฐานที่ตั้งของจิตรู้แล้วก็รู้ลมหายใจที่ไหลออกรู้ลมหายใจที่ไหลเข้า แค่รู้ลมหายใจที่ไหลออกแค่รู้ลมหายใจที่ไหลเข้าหายใจไหลออกรู้หายใจไหลเข้ารู้พอจิตมันหดหูหรือเกิดความเคลิ่มขึ้นมาให้ทําความรู้สึกเหมือนกับว่าคนที่เกลียดมแมลงสาบแมลงสาบเดินมาที่ตัว เมื่อเห็นนิวร์คือถี่นมิตะหรือความง่วงความเคลิบ ม, มันเกิดขึ้นให้ยืดตัวให้ตรงไว้ยืดตัวให้ตรงบ่อยๆยืดตัวให้ตรงบ่อยๆ่ยพราเรียดตัวให้ตรงกระดูกสันหลังตั้งตรงตั้งขนานกับพื้นคือไอ้ตั้งฉากกับพื้นขึ้นมาเมื่อไหร่ความรู้สึกตัวอย่างแรงก็จะกลับมาเพราะความรู้สึกตัวอย่างแรงกลับมาจิตแรกก็เริ่มตั้งความเพียรใหม่ว่าจะรู้ลมหายใจไหลออกรู้ลมหายใจไหลเข้าอารัฐะวิริยะ เป็นธรรมะข้อสําคัญสําหรับการขึ้นบันไดของการภาวนายืดกายให้ตรงและก็เริ่มตั้งความเพียรเมื่อเรายืดกายตรงความรู้สึกตัวกลับมาถีนอมิทะความห่วงความเพิ่มทั้งหลายแหล่ก็จะถูกสลัดออกไปหายใจออกรู้หายใจเข้ารู้ชีวิตของเราขณะนี้ไม่มีอะไรอื่นนอกเหนือจาก จิตที่รู้ลมหายใจออกรู้ลมหายใจเข้าสบายๆไม่เพ่งมากจนเมื่อยจนแกง่งบางครั้งเรารู้ลมหายใจที่ไหลออกมันเบามั่งมันแน่นไปมั่งยาวบ้างสั้นบ้างก็ไม่เป็นไร เพียงแต่ว่ามันเป็นอย่างไรรู้อย่างนั้นรู้เท่าตามที่มันเป็นเรียกว่ารู้ตามที่มันเป็นจริงขึ้นมาหายใจออกรู้หายใจเข้ารู้ถ้าจิตมันหลุดออกจากลมหายใจคือไปคิดเรื่องอื่นนอกเหนือจากรู้ลมหายใจก็ไม่ต้องไปอะไรมากเพียงแค่รู้ว่าจิตมันหลุดออกไปก็ยกเขากลับมาสู่ลมหายใจแล้วก็หายใจออกรู้ หายใจเข้ารู้การที่จิตมันหลุดออกจากลมหายใจมันเป็นเรื่องธรรมดาของจิตเพราะจิตที่ไม่ได้ฝึกฝนนั้นเหมือนกับลิงป่าที่อยู่ในป่าเวลาเราจับมาฝึกฝน ล, ล่ามโซ่ไว้ที่หลักมันก็จะดิ้นวิ่งไปอยู่ประจำอย่างนี้แต่เราในฐานะผู้ฝึกเราก็จะต้องล่ามไว้ที่หลักก็คือผูกไว้ที่ลมหายใจ เมื่อเขาหลุดออกไปคิดเรื่องอะไรก็ตามเราไม่ต้องไปตามปรุงแต่งต่อหรือไปแช่อยู่กับสิ่งที่คิดเพียงแค่รู้ว่าจิตหลุดออกจากลมหายใจแล้วก็ยกเขากลับมาสู่ลมหายใจและหายใจออกรู้หายใจเขารู้หายใจออกรู้หายใจเขารู้เมื่อขหลุดออกไปคิดก็ยกกลับมาสู่ลมหายใจหลุดออกไปคิดก็ยกกลับมาสู่ลมหายใจ แค่ยกกลับมาสู่ลมหายใจเท่านั้นในเบื้องต้นไม่ต้องไปสงสัยและไม่ต้องไปรู้สึกตําหนิจิตตัวเองว่ามันผิดปกติทําไมมันหลุดบ่อยทําไมมันไม่นิ่งไม่ใสไม่จําเป็นต้องไปตําหนิติเตียนอะไรเขาเป็นอย่างไรเขาก็เป็นอย่างนั้นเราเพียงแค่รู้ลมหายใจที่ไหลออกรู้ลมหายใจที่ไหลเข้า ถ้าขอหลุดออกไปคิดเราก็มีหน้าที่เพียงแค่ยกกลับมารู้ลมหายใจหลุดออกไปคิดเรามีหน้าที่เพียงแค่ยกกลับมารู้ลมหายใจไม่ต้องไปสงสัยไม่ต้องไปแต่งต่อไม่ต้องไปหุดหิดหายใจออกรู้หายใจเข้ารู้จิตที่รู้ลมหายใจลมหายใจจะเป็นสิ่งที่ถูกรู้หลัก เหมือนเราขับรถอยู่บนถนนเราอยู่ในเลนของเราเลนของเราจึงเป็นเลนหลักที่เราจะต้องตั้งใจดูเป็นพิเศษส่วนสิ่งอื่นเล่นอื่นที่เรามองเราเห็นเราก็เป็นแค่รู้แค่ดูแค่เห็นเราจะไปจริงจังกับสิ่งที่รู้ที่เห็นนั้นๆไม่ได้เราจะต้องจริงจังอยู่กับเลนของเราในขณะที่เราขับรถอันนี้ชันใด จิตของเรามันอาจจะไปรู้โน่นรู้นี่หลุดออกไปที่นั่นที่นี่ก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาเหมือนกันแต่ว่าเราจะต้องอยู่ในอารมณ์หลักคือลมหายใจของเราหายใจออกรู้หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หายใจเข้ารู้ หายใจออกรู้หายใจเข้ารู้ลมหายใจเป็นอารมณ์อันหนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่าบันเทยเย ว, วังสกังจิตตังสติยารมาเดดันหังการฝึกจิตยกจิตขึ้นมายกจิตของตนขึ้นมาผูกไว้กับอารมณ์อันหนึ่งให้มั่นด้วยสติอารมณ์อันนั้นคือลมหายใจจิตเราแต่เดิมเดี๋ยวมันก็คิดอย่างนั้นคิดอย่างนี้ หันไปดูนุ่นรู้นุ่นรู้นีน่แต่ในขณะนี้มันไม่ใช่มันรู้อยู่ในอารมณ์อันหนึ่งอันเดียวคือลมหายใจให้มั่นด้วยสติหายใจออกรู้หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หายใจเข้ารู้รู้ลมหายใจเมื่อลมไหลผ่านทางช่องจมูก ตอนไหลออกเราก็รู้เมื่อลมไหลผ่านช่องจมูกตอนหายใจเข้าเราก็รู้ลมหหลใจไหลผ่านตรงทางช่องจมูกเราก็รู้ไหลออกรู้ไหลเข้ารู้อย่างนี้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆจิตที่รู้ลมหายใจเป็นรู้ที่บริสุทธิ์ถ้าเราอยากจะรู้ว่าความบริสุทธิ์เป็นอย่างไร เพราะจิตที่รู้ลมหายใจเป็นรู้ที่บริสุทธิ์ไม่เจือจานไม่แอบแฝงด้วยอะไรเป็นอนิสิตะในรู้ตัวนี้ไม่มีตันหมามนะทิฏฐิอาศัยได้เลยเพราะมันเพียงแค่รู้อยู่กับอารมณ์อันเดียวคือลมหายใจหายใจออกรู้หายใจเข้ารู้จิตที่รู้ลมหายใจที่ไหลออกจิตที่รู้ลมหายใจที่ไหลเข้านั้นกาจัด อกุศลที่มีอยู่แต่เดิมได้อาสวะที่นอนเนื่องอยู่ในจิตของเราปรุงแต่งอากุศลเกิดขึ้นมาที่จิตด้วยทุกขณะของอารมณ์ที่ขึ้นไปเสวยต่อโลกแต่เมื่อเรายกจิตมารู้ลมหายใจที่ไหลออกรู้ลมหายใจไหลเข้าจิตรู้ตัวนี้ไม่มีอากุศลตัวนั้นอาสวะทั้งหลายก็ไม่สามารถสร้างอากุศลขึ้นมาที่จิตได้ จิตจึงไม่มีอกุศลจิตที่ในขณะที่รู้ลมหายใจในขณะที่รู้ลมหายใจไหลออกขณะที่รู้ลมหายใจไหลเข้าอากุศลทั้งหลายที่เคยเกิดเคยมีก็ไม่สามารถเกิดได้ในขณะที่รู้ตัวนี้ทำงานแต่อกุศลเหล่านี้จะเกิดขึ้นมาเมื่อรู้ตัวนี้หายไปเพราะฉะนั้นเราจะต้องเพียรให้รู้ตัวนี้รู้ลมหายใจที่ไหลออกรู้ลมหายใจที่ไหลเข้าอย่างต่อเนื่องจิตก็จะปราศจากอากุศลได้นาน หายใจออก ร, leisure, กอกรู้หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หายใจเข้ารู้เมื่อมีความเคลิมเกิดขึ้นยืดกายให้ตรงตั้งกายให้ตรงแล้วก็เร no ิ่มความเพียรเมื่อมีความง่วงเกิดขึ้นจำให้ดีเมื่อมีความง้วนเกิดขึ้นจิตเริ่มเคลิม ให้ตั้งกายให้ตรงแล้วก็เริ่มตั้งความเพียรตั้งกายให้ตรงอย่างเดียวไม่ได้พอตั้งกายให้ตรงปั๊บยกจิตกลับมารู้ลมหายใจในี่เรียกว่าเริ่มตั้งความเพียรคืออารัฐะวิริยะตัวนี้ถ้ามีอารัฐะวิริยะถ้าเกิดขึ้นบ่อยๆเกิดขึ้นบ่อยๆเกิดขึ้นบ่อยๆจะมีกําลังที่เข้มแข็งเป็นกําลังของจิตได้เลยทีเดียวเมื่อตั้งกายให้ตรงแล้วก็เริ่มตั้งความเพียรตั้งกายให้ตรงแล้วก็เริ่มตั้งความเพียร หายใจออกรู้หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หายใจเข้ารู้ เมื่อจิตรู้ลมหายใจได้ชัดในระดับหนึ่งแล้วต่อไปนี้ให้ใส่ใจลงไปที่เนื้อลมหายใจให้ละเอียดประคองลมหายใจเข้าแล้วให้จิตรู้ใส่ใจต่อลมหายใจที่ไหลออกมาใส่ความใส่ใจลงไปเพื่อที่จะดูเนื้อลมหายใจที่ไหลออกมาให้ละเอียดว่าลมหายใจของเราที่ไหลออกมานั้น มันแรงมันเบาอย่างไรช่วงต้นมันแรงช่วงกลายมันเบาช่วงปลายมันแรงช่วงช่วงช่วงสุดมันแผ่วมันเบาอย่างไรในเนื้อลมหายใจที่กระทบ ต, ต่อฐานที่ตั้งแห่งจิตรู้ของเราที่กระทบต่อช่องจมูกของเรามันไหลออกมาเป็นอย่างไรรู้มันไหลออกเข้าเป็นอย่างไรไหลเข้าไปเป็นอย่างไรรู้ รู้ในเนื้อลมหายใจด้วยประคองลมหายใจให้ยาวกว่าปกติในระดับหนึ่งเรียกว่ายกลมหายใจให้เป็นอารมณ์ของจิตจิตผูกกับลมหายใจโดยการรู้ไม่ใช่วิ่งกำหนดวิ่งเข้า ว, วิ่งออกการวิ่งเข้า ว, วิ่งออกไม่สามารถรู้ได้ รู้จงเฝ้าดูใส่ใจในเนื้อลมหายใจที่ไหลออกตั้งแต่ต้นจนสุดลมหายใจใส่ใจในเนื้อลมหายใจที่ไหลเข้าตั้งแต่ต้นจนสุดลมหายใจใส่ใจในเนื้อลมหายใจที่ไหลออกตั้งแต่ต้นจนสุดลมหายใจ ในชีวิตของเราในขณะนี้ไม่มีอะไรอื่นไม่มีเวลานาทีไม่มีอะไรเลยมีแต่จิตรู้กับลมหายใจที่ถูกรู้ลมหายใจลงมาอย่างไรจิตใส่ใจในเนื้อลมหายใจอย่างนั้นหายใจออกรู้หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หายใจเข้ารู้ พอนั่งไ้ได้ระยะหนึ่งมันก็เกิดเวทนาเวทนาที่เป็นทุกขเวทนาคืออาการปวดอาการเจ็บอาการชันอาการเมื่อยอาการชาเกิดขึ้นที่หัวเขาว่าหัวข า, ว ห, วขาวหัวแข้งที่ข้อเท้าที่เท้าที่สะโพกซ้ายขวาที่แผ่นหลัง ที่ไหลซ้ายไหลขวาที่ใดที่หนึ่งอาจจะเกิดความเจ็บความปวดความเหน็บความคันความชาเกิดขึ้นอย่าไปขยับอย่าไปเกาอย่าไปแตะต้องอะไรเขาแค่จิตไปรู้ว่าเขาปวดตรงนี้เขาเมื่อยตรงนี้เขาเจ็บตรงนี้เขาเน็บตรงนี้เท่านั้นเองแล้วก็แค่รู้ว่าความปวดความเจ็บรวมเป็นเรียกว่าเวทนาเวทนาเกิดขึ้นตรงนี้แล้วก็วางเกิดตรงไหนแล้วก็วางไว้ตรงนั้นมันปวดที่หัวคอรู้แล้ว รู้รู้ว่าปวดที่หัวความปวดเกิดขึ้นที่หัวก็าวางความปวดนั้นไว้แล้วก็ยกจิตกลับมารู้ลมหายใจอย่ายอมไปขยับอย่ายอมไปเกาอย่ายอมไปทำอะไรเขาขอแก้เป็นเวทนาเป็นสิ่งที่ถูกรู้เหมือนกันยกจิตเข้าไปรู้รู้แล้ววางไว้ตรงที่มันเกิดแล้วยกจิตกลับมารู้ลมหายใจ ถ้าเราสามารถยกจิตรู้ออกจากเวทนาที่เกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งมารู้ลมหายใจได้นั่นคือความอดหารของจิตนั่นคือความเพียรของจิตนั่นคือความอดทนของจิตแค่รู้และยกจิตกลับมารู้ลมหายใจหายใจออกรู้หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หายใจเข้ารู้ เมื่อรู้สึกตัวว่าตัวมันโกง่งตัวมันเอียงไปข้างหน้าตัวมันเอียงไปข้างซ้ายเอียงไปข้างขวาให้รู้สึกตัวให้ได้แล้วก็ยืดกายให้ตรงพร้อมกับเริ่มตั้งความเพียรตรงนี้ต้องจำไว้ถ้าไม่อย่างนั้นจะภาวนาไม่ได้จะฝาดวาดทางด่านของนิวรไม่ได้ ให้เริ่มทำความรู้สึกตัวขึ้นมาแล้ว ย, ยืดกายให้ตรงแล้วก็เริ่มตั้งความเพียรคำว่าเริ่มตั้งความเพียรคือยกจิตเข้าไปรู้ลมหายใจ ยืดกายให้ตรงเมื่อยืดกายตรงแล้วให้ดำรงสติไว้แล้วเริ่มตั้งความเพียรอันนี้เป็นเป็นหลักพื้นฐานที่จะต้องทำให้ติดเป็นนิสัยมิฉะนั้นเราจะขวาดานนิวรนไม่ได้ ต่อไปนี้ยกจิตกลับมาที่มือข้างขวาให้ขยับปลายนิ้วมือขวาให้จิตรู้สึกแล้วค่อยๆ ย, ยกมือขวาขึ้นเคลื่อนมือขวาไปวางไว้ที่ข่าข้างขวาให้จิตรู้สึกมือที่เคลื่อนไปเมื่อมือขวาวางไว้ที่ข่าข้างขวาให้จิตรู้สึกที่มือข้างขวาที่วางไว้ จากนั้นยกจิตมาไว้ที่มือข้างซ้ายโดยขยับปลายนิ้วมือซ้ายให้จิตรู้สึกและยกมือซ้ายขึ้นช้าๆพร้อมจิตที่รู้สึกและเคลื่อนมือซ้ายไปวางไว้ที่เข่าข้างซ้ายให้จิตรู้สึกจากนั้นยกจิตรู้มาไว้ที่เฉพาะใบหน้ารู้ไว้เฉพาะหน้า ที่พื้นที่ใบหน้าของเราแล้วก็ประหกหน้าขึ้นมานิดหนึ่งลืมตาออกจากสมาธิมีบางคนนั่ง พุโทโธกระจายเลยแล้วก็จริงๆไม่ใช่ผิดแต่ทำไปด้วยความสงสัยทำไปด้วยความสงสัยคือว่าทำไปด้วยความไม่แน่ใจว่าเอ๊ะทำไมอาจารย์จอนไม่เห็นมีคาว่าพุโทโธเลยเราทำพุโทโธมาทีนี้พอภาวนาไปแล้วก็พุโทโธก็มาตัวเองก็รู้ลมหายใจไปด้วยพุโทโธไปด้วย พอรูปพอรู้ลมหายใจไปรู้ลมหายใจมาพุโทโธไปพุโทโธมาลมหายใจหายคือไม่ไม่ไม่เอาลมหายใจแล้วเอาแต่พุโทโธพุทโธตอนแรกก็อยู่กับลมหายใจทําไปทำมาพุโทโธไม่อยู่กับลมหายใจแล้วพุโทโธหลุดออกมาอยู่ที่จิตนั่งนึกเอาพอนึกไปนึกมาหายแล้วก็เคลิม้มคือเราใช้พุโทโธได้ไม่ใช่ไม่ได้นะ แต่พุโทโธเป็นคำบริกรรมที่เอามาวางไว้ผูกให้แน่นของจิตรู้อีกทีหนึง่งไม่ใช่ไม่ได้แต่ว่าโดยหลักของอานานั้นเราจะเอาพุโทโธให้แข็งแรงกว่าลมหายใจไม่ได้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือจิตที่รู้ลมหายใจเพราะพุโทโธไม่ใช่กาย การเจริญสติปัฏฐานไม่ว่ายกอารมณ์ใดต้องอยู่ที่กายจะ ก, กายใหญ่กายเล็กก็ไม่รู้ลมหายใจเป็นกายอันหนึ่งทีนี้ที่ท่านให้ใช้พุโทโธกอให้พุโทโธมาเป็นคําบริกรรมผูกจิตรู้ของเราให้อยู่กับกายเนี่ยให้มันแน่นขึ้นให้มันหลุดยากขึ้นเพราะฉะนั้นวิธีวางพุโทโธก็คือ เมื่อจิตรู้ลมหายใจให้จิตรู้ลมหายใจออกก่อนรูล้ลมหายใจออกรูล้ลมหายใจเข้าช้าดเรียบร้อยจากนั้นเอาพุทธโธไปวางพุธโธวางพุธตอนลมหายใจเข้าโทวางตอนลมหายใจออกแต่จิตต้องไม่วิ่งตามลมหายใจและก็ไม่วิ่งไปกับพุทธโธพุธทโทเคลื่อนมากับลมหายใจนั่นแหละตอนลมหายใจเข้าเรารู้ลมหายใจ แล้วกําหนดองค์บริกรรมว่าพุธจะยาวเท่ากับลมหายใจเข้าพอลมหายใจออกเราก็เอาโทมาวางเราวางโทไว้โทจะยาวเท่ากับลมหายใจออกแต่จิตที่รู้ลมหายใจเป็นใหญ่แล้วที่ไปรู้คําว่าพุธคําว่าโทเป็นรองเมื่อเราภาวนาไปคําบริกรรมพุทโทที่จะมาช่วยทําให้จิตของเรารวมอยู่กับลมหายใจไม่ใช่ไปรวมอยู่กับพุทโทถ้าจิตไปรวมอยู่กับพุธโท ไม่ใช่อาณาปานสติที่เราฝึกกันนี้ที่เราฝึกกันนี้จิตเมื่อรวมอยู่กับลมหายใจคือจิตรู้ลมหายใจเป็นสิ่งที่ถูกรู้อย่างชัดเจงชัดแจ้งแล้วจากนั้นมันก็จะเกิดเป็นสภาวะสภาวะที่เกิดจิตก็จะเกิดการเห็นสภาวะขึ้นไม่งั้นมันจะเห็นไม่ได้จิตก็จะเกิดเห็นสภาวะตามความเป็นจริง ว่ามันมีการเกิดขึ้นและก็ดับไปอะไรเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปเมื่อจิตเห็นสภาวะที่เกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปสภาวะทั้งหลายก็ไม่รบกวนจิตจิตจะรู้ลมหายใจอย่างต่อเนื่องไปลมหายใจที่จิตรู้อยู่นั้นมันก็เป็นสภาวะอย่างหนึ่งเหมือนกันจิตที่มีการเห็นสภาวะเกิดดับเกิดดับเกิดดับเมื่อสภาวะนอกดับหมดแล้วมันก็จะไปเห็นลมหายใจเกิดและดับ เมื่อลมหายใจเกิดได้ดับจิตก็จะคลายตัวออกจากลมหายใจเองอันี้เป็นคันลองของธรรมไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราจะกําหนดให้มันเกิดขึ้นเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นเองตามกําลังตามภูมิของจิตที่มันเกิดอย่างถูกต้องเป็นอย่างนี้ในนี้ถ้าพอเรารู้ลมหายใจเดี๋ยวก็ลมหายใจมั่งเดี๋ยวก็ไปอยู่กับพุทมั่งเดี๋ยวก็ลมหายใจออกมั่งเดี๋ยวลงไปอยู่กับอยู่กับโทมั่งเดี๋ยวก็พุทเดี๋ยวก็โทเดี๋ยวก็ลมเดี๋ยวก็เอาเออมันอย่างนี้มันก็จะทําให้เราไม่ได้สักอย่าง เข้าใจไหมไม่ได้ทักอย่างอันนี้ไม่ต้องตอบคำถามนะพูดกันให้เคลียร์พูดกันให้เคลีย ร, เยร์เพราะว่าพุทโธคือคำบริกรรมที่เอามาวางไว้กับอารมณ์ของจิตเพื่อผูกให้มันแน่นขึ้นเท่านั้นเองไม่ให้จิตมันหลุดง่ายๆถ้าเรารู้ลมหายใจเช่นเราเรารู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออจิตมันหลุดออกจากลมหายใจบ่อย เราก็เอาพุธไปวางพอหายใจเข้ารู้ลมหายใจพร้อมกับกาหนดองค์บริกรรมว่าพุทพุธจะยาวถ้าลมหายใจยาวอย่างนี้นะพุธก็จะยาวพูพอลมหายใจออกโธแต่จิตจะต้องไม่วิ่งอย่างนี้จิตความรู้อยู่ตรงนี้ลมหายใจวิ่งออกมาแต่ยังไงก็โทยาวเท่าลมหายใจลมหายใจเข้าพุดก็จะยาวเท่ากับลมหายใจเข้าแต่อยู่ตรงนี้ ไม่ใช่วิ่งตามวิ่งเก้ววิ่งออกเป็นองค์บริกรรมขรันจับให้มันแน่นอีกอันหนึง่งนี่หลายคนมันมีพุทวิ่งวิ่งวิ่งมันเดี๋ยวก็ลมเดี๋ยวก็พุทเดี๋ยวก็โตเดี๋ยวก็พุทเดี๋ยวก็โตเดี๋ยวก็ลมเดี๋ยวก็พุทแล้วก็โตแล้วก็เคลิมเพราะจิตเกิดการหดหูขึ้นมาไอ้พดกันะไอ้ชัดเพราะเดี๋ยวตอนบ่ายเนี่ยจะ อกะรอบแต่ว่าหลายครั้งเราไม่ได้เดินพักหลังนี้เราไม่ได้เดินจงกรมมาหลายครั้งแล้ววันนี้จะต้องมีเดินกันบ้างนะเดินกันหน่อยวันนี้เดินจงกรมคือการจะเริญนสติด้วยการรู้การเคลื่อนไหวของเท้านั่งภาวนาคือรู้การเคลื่อนไหวของลม เดินคือรู้การเคลื่อนไหวของเท้าภาวนาคือรู้การเคลื่อนไหวของลมเมื่อกี้เรารู้การเคลื่อนไหวของลมใช่ไหมลมไหลออกเราก็รู้เราไม่ต้องทําอะไรเลยเราแค่รู้ลมหายใจที่ไหลออกรู้ลมหายใจที่ไหลเข้ารู้ที่เรารู้รู้ตัวเนี้ยพระเจ้าเรียกอานิสิตามันไม่มีนิสัยอยู่ในเนี้ยในขณะที่รู้ลมหายใจนิสัยก็คือว่าไม่มีตัณหามานะทิฏฐิอยู่ในรู้ตัวนี้ ในขณะที่มันรู้เราหายใจที่ไหลเข้ารู้เราหายใจที่ไหลออกเนี่ยสังเกตมันไม่อิจฉาริษยาใครพรานพรเจ้าจึงบอกว่าออนิสิตโตมันเฮทยาโนปรินิพุโตนะอุปะวะเดยะกันจิในรู้เนี่ยรู้ตรงนี้คือว่าไม่มีการเบียดเบียนเกิดขึ้นในรู้นี้ สังเกตเนขณะที่เรารู้ลมหายใจไหลออกรู้ลมหายใจที่ไหลเข้าขณะนั้นเป็นขณะที่ไม่มีการเบียดเบียนใดๆเกิดขึ้นขณะนั้นเป็นความสหกเกิดขึ้นปรินิพุตต์ขณะนั้นอุปนะอุปวาวะเนยักการจิตไม่มีการว่าร้ายใครเลยไอ้คาว่าว่าไร้ายไม่ได้หมายความว่าคําพูดนะจิตที่ไปคิดร้าย ไม่ได้คิดร้ยายต่อใครเลยลองสัง เ, เกตแต่มันจะเกิดสิ่งเหล่านี้ทันทีถ้าหลุดออกมาจากลมหายใจแต่ขณะที่จิตรู้ลมหายใจที่ไหลออกรู้ลมหายใจหลมหายใจออกรู้ลมหายใจเขารู้ลมหายใจออกรู้ลมหายใจเขารู้ในขณะนั้นจิตเป็นอนิสิตะรู้ตัวนั้นบริสุทธิ์มากไม่มีการเบียดเบียนใดใดไม่มีการว่าร้ายใครไม่มีการอะไรเลยและสงบ ส ก, กบคืออยู่กับรู้อันเดียวทีนี้ไอ้เคล็ดวิชาที่ตมาพูดย้ำสเสมอว่าบันเทยเยวังสกังจิตังสติยาระมาเดดันหังที่เจ้าปรารถนาสอนให้เป็นเคล็ดวิชาท่องไว้เหมือนเคล็ดวิชาไหม้ฟ้านะ่ะใครไปฝึกวิชากําลังภายในมั่งเขเรียเคล็ดไหม้ฟ้านะี่ยไอ้เคล็ดวิชาภาษาจีนของหนังจีนนะ่ะก็มีเคล็ดวิชาไหมนี่เคล็ดวิชาเลยอันเนี้ยบันเทยเยวังสกังจิตังสติยาระมาเดดันหัง ให้ผูกจิตของตนคือจิตเราจิตของตนคือจิตเราสติยาระมาเดดหนังไว้ในอารมณ์ให้มั่นด้วยสติคําว่าอารมณ์ในที่นี้คือลมหายใจผูกจิตของเราไว้กับลมหายใจให้มั่นด้วยสติเมื่อลมหายใจเริ่มเคลื่อนออกเราก็รู้สึกกับลมหายใจอันนั้นผูกไว้ลมหายใจเราเคลื่อนเข้าเราก็รู้สึกต่อลมหายใจที่มันเคลื่อนเข้าไปผูกไว้อย่างนี้ผูกไว้เหมือนคนก็ฝึกโคฝึกฝึกโคอะ แล้วเอาเชือกผูกโคแล้วล่ามโคไว้ที่หลักนี่นี่นี่นี่ผูกโคแล้วล่ามไว้ที่หลักอย่างนี้ก็จะทำให้ให้สามารถที่จะฝึกได้ <c oughs>